บทคาถาหวานทราย อิมาจสมิงราจเสมานาเขตเตสมันตาสตโยชนสตสหัสานิพุทชาลปริกเขตเตรักขันโตสุรักขันตัวอิมัสมิงราจเสมานาเขตเตสมันตาสตโยชนสตสหัสานิธรรมาชาลปริกเขตเต รักขันโตสุรักขันโตอิมาสัมิราชเสมานาเขตเตสมันตาสตโยชนะสตัสหาสานิปัจเจกุทธชาลปริเขตเตรักขันโตสุรักขันโตอิมาสัมิงราชเสมานาเขตเตสมันตาสตโยชนะสตัสหาสานิ สังฆาชาลปริกเกเตรักขันโตสุรักขันโต